คืนดีย่างเข้าเดือนหกใครใครก็รู้ว่าเดือนนี้มีอะไรวัดทุกวัดมีบ้านทุกบ้านมีหน่วยทหารทุกหน่วยมีและทุกคนเขาก็มีฉะนั้นคอลำมปรุงชีพก็ต้องมีคือมีพิธีวิสาขบูชาพิธีสำคัญสำคัญอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขามีกันถ้าใครไม่มีเสียข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงว่า ท่านควรจะทำอะไรในวันอันสำคัญนั้นเพราะใครๆก็รู้ว่าวันนั้นต้องเว้นจากทำบาป ท, ทำแต่บุญและกลางคืนพาลูกหลานไปเวียนเทียนที่วัดอย่างนี้ไม่ต้องพูดเอาเป็นเรื่องเข้าใจกันแล้วขอนำท่านชมความงามเพลิดพริงมหาสจรรั์แห่งผลงานของท่านนักคน้นคว้าจอมอัจฉริยะ 1. ไม่มีสองของโลกและมอบผลงานทั้งสิน้น ซึ่งได้มาอย่างแสนเข็ญ น, นั้นให้เป็นสมบัติของปวงชนโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆสิ่งนั้นคือพระพุทธศาสนาศาสนาอมตะของโลกเชิญท่านชมผลงานนั้นในแง่ตำรับวิธีแก้ทุกข์ือบ้างพระพุทธเจ้าคือเจ้าของตำรับวิธีแก้ทุกข์พระพุทธศาสนาคือตำรับวิธีแก้ทุกข์ พุทธศาสนก ค, คือนักแก้ทุกข์ความสงสารผู้ตกทุกข์ทำให้เจ้าชายตั้งปัญหาขึ้นในพระไยว่าทำอย่างไรจะแก้ทุกข์ได้เพื่อการค้นคิดปัญหาข้อนี้พระองค์ทรงตัดพระไยัยพระจากสุขทางโลกีเปลี่ยนเพศเป็นนักบวชแล้วเริ่มจับงานค้นคว้าอย่างจริงจังทั้งเรียนทั้งคิดทั้งคน้นเป็นเวลานานถึง6ปี6ปีเต็ม เพื่อหาคําตอบปัญหาข้อเดียวที่ว่าทําอย่างไรจะแก้ทุกได้หลังจากการค้นคว้าและทดลองอย่างหนักหน่วงจนถึงขั้นยอมตายแล้วพระองค์ก็ได้ทรงพบความสําเร็จที่เรียกว่าตรัสรู้การตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องอื่นที่แท้ก็คือได้ทรงพบคําตอบสําหรับปัญหาข้อเดียวที่พระองค์ทรงขอบคิดมาเป็นเวลาถึง6ปีเต็มนั่นเองและการค้นพบนั้น ได้ทำให้พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นกิเลสด้วยข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรียกว่าอริยสัจสอริยสัจสี่ข้อนั้นเป็นเรื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงๆไม่ใช่ฝันไม่ใช่ผีสิงไม่ใช่เทวดาทรงและไม่ใช่มีใครเสกสรรรับรองให้เป็นผู้วิเศษขึ้นที่จะรู้ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริง ๆ, ๆ ก็โดยสิ่งที่ทรงรู้นั้นไม่ใช่เรื่องอื่นแต่เป็นคำตอบปัญหาเดิมที่ทรงขบคิดมาเป็นเวลานาน6ปีกว่าที่ว่าแล้วนั้นลองพิจารณาอริยสัจ4ข้อนั้นดูเราจะพบข้อแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือทั้งสี่ข้อนั้นว่าด้วยเรื่องทุกข์ทั้งนั้นโปรดดูคำบาลีอริยสัจ4ต่อไปนี้ 1. ทุกขัง อริยสัจจั ง, งทุกขสมุทโยอริยสัจจัง 3. ทุกขะนิโรโธอริยสัจจัง 4. ทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังจากคาบาลีพุทธวจนะนี้จะเห็นได้ว่าทุกข้อมีคําว่าทุก์กํากับไว้ทั้งนั้นข้อที่1นงว่าด้วยทุกมีจริง ข้อที่2ว่าเหตุทำให้เกิดทุก์มีจริงข้อที่3มว่าความดับทุก์มีจริงข้อที่4ว่าวิธีทำให้ทุกดับได้มีจริงและพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็คืออริยสัจข้อสี่นี่เองฉะนั้นข้าพเจ้าจึงว่าพระพุทธศาสนาก็คือตำรับวิธีแก้ทุกโดยตรง มีอะไรยืนยันว่าวิธีแก้ทุกข์ของพระองค์ว่าดีจริงเป็นเรื่องที่ต้องซักฟอกดูไม่เช่นนั้นจะเข้าตำราผู้ดีว่าขี้ข้าพลอยผิดเยี่ยงของพุทธศาสนิกเหตุผลข้อแรกคือการที่พระองค์ไม่คิดกลับไปครองราชนั่นแหละเอาเถอะถึงพระองค์จะยังไม่ได้ครองราชโดยสมบูรณ์แต่ก็เป็นรัชทายาทผู้ปราศจากคู่แข่ง ที่เสด็จออกบวชก็ไม่ใช่มีใครผักไสไล่ส่งหรือหลบลี้หนีโทษทันแต่อย่างใดหมายความว่าพระองค์กลับไปครองราชสมบัติเมื่อไหร่ก็ได้การกระทำเช่นนั้นจะเป็นที่พอพระทัยของพระบิดาและพระประโยชนา ต, ตลอดจนพระสกนิกาทั่วไปเสียด้วยซ้ำความสุขขนาดเป็นพระราชาผู้ไม่มีคู่แข่งนั้นสุขมากอยู่ เจ้าชายเศรษฐะนั้นถ้าไม่ทรงพบความสุขใหม่ที่ล้ำเลิศกว่าการครองราชแล้วต้องเสด็จกลับกรุงกบิลพัทแน่ๆการที่พระองค์ไม่เสด็จกลับนั่นแหละเป็นข้อยืนยันอย่างชัดเจนว่าวิธีแก้ทุกที่พระองค์ได้ทรงค้นพบนั้นใช้ได้ดีจริงพระองค์นั่นแหละเป็นข้อยืนยันอย่างชัดแจ้งว่าวิธีแก้ทุกที่พระองค์ได้ทรงค้นพบนั้นใช้ได้ดีจริง พระองค์นั่นแหละเป็นผู้พ้นทุกข์ให้เราเห็นไม่มีแม้แต่ความทุกข์ที่อยากเป็นกษัตริย์ไม่มีแม้แต่ความทุกข์ที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตโปรดคิดดูแม้การเวลาจะล่วงเลยไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีและจากปีกลายเป็น25ศตวรรษเข้าแล้วแต่สัจธรรมของพระพุทธองค์ก็ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางโลกซึ่งเต็มไปด้วยความแปรผัน และส่งไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายเพราะว่าศาสตร์ที่พระพุทธองค์ส่งค้นพบนั้นได้ถึงจุดสูงสุดแล้วเมื่อคืนวันเพ็ญแห่งวิสาขะด้วยความเพียรพยายามอย่างสุดยอดขนาดยอมตายเพื่อให้ได้ศาสตร์นั้นมามอบแก่ชาวโลกคืนนั้นเป็นคืนที่สังคมมนุษย์ได้มาซึ่งสมบัติอมตะอันเป็นผลของความเพียรพยายามอย่างยอดยิ่งของพระพุทธองค์คือได้ พระพุทธศาสนาตำรับวิธีแก้ทุกข์ซึ่งมีค่าเกินกว่าที่จะวัดด้วยเงินตรามีความเพลิดเพริงเกินกว่าคำสรรเสริญใดๆที่มีอยู่ในภาษาของชาวโลกข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านผู้อ่านได้เพียงแต่ว่าคืนนั้นเป็นคืนดีเมื่อฤดูทั้งสามขับไล่หมุนเวียนกันไปได้รอบหนึ่งนับวันคืนที่เกิดดับสลับกันได้365ครั้ง คืนที่คล้ายกับคืนดีของเราจึงจะเวียนมาบรรจบเข้าครั้งหนึ่งแล้วพระพุทธศาสนิกทั่วโลกก็ทำการบูชาเป็นพิเศษเรียกวิสาขาบูชาแม้ทหารีนแนวรบก็วางอาวุธของเขาลงชั่วครู่หนึ่งเพื่อกระทำกิจอันเขาควรทำเพื่อฉลองคืนดีของเขาปีนี้คืนดีของเราจะมาบรรจบในวันที่6เดือนนี้แล้ว ท่านละ่ะควรจะกระทํากิจอันควรทําของท่านได้เพียงใดและแล้วก็อย่าลืมคืนดี